ที่นาจเจริญทํามสัมมาปฏิบัติจเจริญกุศลภาวนานั้นจะมีได้สำหรับผู้มีป ร, รมีบุญวัสนาเท่านั้นถ้าคนไล่บุญวัสนาจะไม่มีโอกาสภาวนาในสนใจในการสร้างป ร, รมีของตนผู้ที่มีบุญมีส้มาแต่อดีตชาติ แต่้างก่อนนั่นทํานี้ใส้ปัจจัยสนใจให้ตัวเองแล้วก็ใส่ใจตนเองทามีความกระตือรือร้นอยอตนเองคือการแสวงหาความดีใส่ใจด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ทำได้ยากมาก คนที่ไล่บุญวาสนาขาดบารมีขาดนิสัยปัจจัยเมื่อชาติ ก, ก่อนไม่เด็ดตามเป็นเพราะว่าปัจจัยมาในชาตินี้แนวจะไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยเราจะเห็นคนมาวัดกันมากหนาหลายตาถามว่าจะเรียนพระพุทธคุณดูนะเขาก็ไม่ทราบว่าพระพุทธคุณคืออะไร ตอบในทางคือคือไม่ได้สนใจนั่นเองคนที่มีบุญวาทนาจะสนใจในตนเองเหมือนพระภิกษุมาบวชในตศาดสงฆ์ถ้าม่มีบุญวาสนาจะสนใจแสวงหาความรู้จะสนใจแต่วความดีเท่านั้นคนที่ไหนบุญวาทศนาที่มาบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่มีทางสนใจเลย จะไม่มีจุดกระทืดโดยล้นแต่สการดานจะทำไปโดยเสียไม่ได้เพราสวดมนก็สวดบ้างคนงงนั่งก็นั่งบ้างไปตามประเพณีการนั่งภาวนาเท่านั้นถ้าคนอุสนใจมีศรัท ธ, ธามีความเชื่อความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นเป็นใส่ปัจจัยของเขาอื่นถ้าจ้งบังคับ การช่างความดีนี่ไม่ตก่าบาับบังคับอาจจะเป็นชาปิสุทีดบวชใหม่หรือเก่าถ้าให้มเจรรญกรรมาฐานก็เป็นการบังคับเพราะเขาไม่ศรัทธาเขาไม่สนใจตัวเองนะทิ่งจะบังคับยังไงก็เอาดีไม่ได้ดีไม่ได้แน่นอนถ้าเหตุว่าบังคับ ผู้จะนำบวชเลื่อมใสในประสาทสนาอย่างโยมอุบาสกอุบาสิกามาบวชนุ่งขาวเพื่อบำเพ็ญขินภาวนาเพื่อเนรคัมมะปฏิบัติท่านทั้งหลายก็มาด้วยนิสัยปัจจัยของท่านเองท่านทั้งหลายมาด้วยศรัทธาของท่านเองเลื่อมต้นด้วยกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นไปในสัยทั้งผันแล้วท่านจะได้ผลอย่างแน่นอนคนที่ไร้ข่าขาดสุ้นเดิมไม่ใช่ก่อนไม่มีนิสัยมาจะไม่เคยเป็นโยธาหายของประเวทชนดอนมากายก่อน <c oughs> เพราะนั้นจะไม่ีโอกาสปฏิบัติธรรมแน่เรจะเห็นถามผู้ทั่วไปบอกเคยปฏิบัติธรรมมัองไหม กาวเลยนั่นแหละคนไล่วัตรณาคนไม่สนใจถ้าทำทั้งหลายจะมี่ยังสายมาแต่ชาติฟังก่อนฟังก่อนนั้นเคอเป็นโยธาหานปริวานของขึ้นเวรสเวรสฉันดอนแล้วนั้นจะอยู่ในดงดอนอยู่ในบ้านเมืองสมัยนั้นเป็นเวลาสามหมื่นปีแล้ว สามหมต่นปีกระเวศประชาเป็นกระเวศขั้นตอนนะคนเราก็ไม่มีฉายมาเกิดโชวมนุษย์กับปิราโพการเกิดเป็นมนุษย์ยากมีความหมายมากจุดทั้งนัชีวิตตังการเรือเกิดมามีอายุถึงปูนีก่อแสนจะยากแสนจะยากมากที่จะมีอายุ เพื่อมีชุดิี่ได้พ็ขแขนจะยากลำเคงใจจุดชั้งท ร, รมัวังานางการที่จะฟังธรรมของท่านเบสัมมาทิมตทเจ้าก็ยากที่จะมีฟังธรรมได้บางแห่งก็ไม่อยากจะฟังธรรมะฟังแสดงพระธรรมเทศนาแค่ผู้สอนผู้เทศผู้บรรยายก็ไม่ไน้มีมจิดเป็นมหากร คนฟังก็ฟังไปตามประเพณีมีความหมายมาอย่างนี้สุอโชปปโติพุทธามมดมุกปาโทการที่จะบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าแสนจะยากมากจะหาโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าก็ยากแต่เราเนี่กโชคดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์กระผบัตรร่างกายก็สมบูรณ์แบบแท้ มีอาการทำที่สองก็ครบไม่เป็นคนไม่ไา้ชีวิตผลถือมนุษย์แต่ประการใดแต่ก็ไม่สามารถจะทําสร้างมนุษย์ไว้ได้จิตใจก็ไม่เป็นมนุษย์ทําความมนุษย์ให้ต่ําต้อยถอยหลังองกรบางคนก็อายุครรภ์อายุครรภมากติดั้ำชีวิตั่างชีวิกิดขนเกิดมาเป็นมนุษย์ บางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนตายที่ใส่ในค้องที่ยังไม่ได้ร้องออกมาร้องเอาแวะก็ตายแล้วหมดทางที่จะต้งสร้างความดีต่อไปจิตทั้ทงสัออทธรรมมหัอมาศวันนัง่งที่จะได้ฟังธรรมก็ยากเราจะเชิญออกบัเชิญผู้ให้มาฟัางเทศก็ยากไม่มีคนฟังละ คนฟังดูศรัทานี่หายากถ้าไปเที่ยวไปลงมโหสถหรือไปหาสแสวงหาปย ม, มุตไม่ต้องจา้างเขาก็ไปกันแล้วเกการเชิญให้มาฟังเทศมากังธรรมจุตช้งจะท ร, รมาวัดมัชชวนังก็ยากเห็นของหายากอีกประการหนึ่งเหมือนกันจิตโฉภุธภุ พ, พปานโป่าปาเทก การที่จะทะลุของพระพุทธเจ้าก็ยากอยู่<ม>แต่เรามาอยู่ในใข่ของพระพุทธเจ้ามันเนินจิตถชสุขตามหลักพระพุธศาสตร์ทั้งนามมาตั้งมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้วควรจะเลยลุ้งเรี้ย ง, งดูน้ำบัดนี้ท่านผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติทั้งหลายเอ๋ยคนเราที่จะสนใจฟังธรรมน้อยมากนี่แหละเป็นของหายก อย่าสนไทยมีศรัทธาที่จะฟังธรรมะฟังพระธรรมเทศนาก็อยากอยู่ไม่อยากจะสนใจฝังจ้างก็ยังไม่อยากฟังพระบาององค์เนี่ยของจ้างเทิดท่านก็ไม่อยากจะเทิดให้ฟังเพราะทางในมีดุสัยปัดใชอย่างที่กล่าวแล้วเช่นเดยกันแม่เป็นของหายากไป ห, หมดไปนเื่ออะไรเป็นของน่ายจประการใด นี่แหละคนเราเนี่ยถึงไม่อยากจะทำกับชิ้นนี้ไม่อยากจะสนใจถ้า ท, าออ ท, าาท่านมีหิสัยมาแต่ชาติก่อนไม่สนงกท่านก็มาฟังบางคนมาที่วัดนี้มากลายเขาก็บอกว่าไปฟังบรรยายในโบสถ์นพ่ออยู่ในโบสถ์ไม่ตายแล้วนัง่งคอทีก่กูตืที่แหละคนไ ม, นม่มีนิสัยไม่มีปัจจัย มันจะบังคับเอาลบไปลากอาช้างไปถือก็มาไม่ได้บางคนอยู่ใกล้ๆอยากฟังธรรมแต่ยินเสียงธรรมะก็เอดจะแตกมันจะแยกออกเป็นสองเสียงแล้วเพราะมันไล่ฆ่าเหลือเกินชีวิตของท่านหาได้ยากแต่ทำเป็นง่ายไปดังนี้นตนแต่ตอนจะฟังธรรมก็หน่อยก็อยากอฟัง อันจิตโฉมนุษย์กับปีลาโผล่เาก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วฉันยังไม่โยก่ากาความยากขอาไว้เลยทำมากง่ายมากได้ปล่อยป่อยถอยหลังวงคลองความเป็นเครื่องบัดของมนุษย์ของฉานก็หมดไปไม่มีเหลืออยู่แม้แต่น้อยเลยขอฝากไว้นี่แหละมีความหมายอย่างนั้นกีชั้งน้าชีวิตตังชีวิตก็ไม่อย่างเดี อายุกว่าสางอายุไม่ยืนเลยเพราะมันเอกสนใจความเป็นมนุษย์ธรรมสนใจแต่เรื่องเลวร้ายที่ช้งศัตรรมัทสวนรค์ก็ไม่สามารถจะฟังเพื่อได้คนประเภทนี้น่หายากมันยากไปหมดเราจะมีช่องโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าในชาตินี้นะั้นอันก่อน กัทโลูมาก็ได้ชี้แจงแสดงไปทั้ง45พระบังศาินเข้าสู่ปรียาน่าเพราะความคารคำสอนของพระองค์ไม่มีเหตุผลแล้วก็คงจะใช้กันไม่ได้อยู่มาถึง 2,539 พระรันศาแล้วก็ยังใชอ้อยู่่เดี๋ยวีพลังมันงค่าต่างชาติตางศาสนามาสนใจ การภาวนาปฏิบัติธรรมกันมากกต่เป็นชาติใดภาษาใดเขาก็สนใจและแต่นิสัยปัจจัยของเขานี่แหละขอจะเจริญพรญาติน้องถ้าคนไหนไม่มีนิสยัยจะบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็ไม่เอาไหนนี่แหละมันยากที่สุดยากเหลือจะพลันละนาผู้ที่มีกติเ ล, ลิกลนและสงใจหายยาก หาดูวความลาบากมากร้อยละหนึ่งก็ไม่เคยมีแล้วเพราะว่าเกิดพุทธคุณนะแต่แล้วอายุมากแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธพิทธคุณมีคืออะไรถ้าทรมาคุณก็ไม่รู้พราหลังฆาคุณก็ไม่รู้ด้วยเลยไม่ทราบไม่เข้าใจคนที่มีปัจจัยดีมีนิสัยมาจากชาติก่อนส็สนใจถามสนใจแฉวหาความดีใส่ตน ตลอดรายการคนที่ไล่ค่าขาดละาดคาพุนไม่มีความสนใจแต่ประการใ ด, รรดถึงตาบวชโดย้าติโสกก็บวชอย่างนั้นยิ่งนานเท่าไรก็ขาดพุนมากเท่านัน้ถ้าผู้ที่สในใจมีอัจฉิยะสาัมมีน้ำตจ ง, งามจาได้กำไรชีวิตทุกเวลาเวลามีประโยชน์ในชีวิตของเขาเขาจะทิดได้ บางคนคิดไม่ออกเลยมานั่งขวดน้นให้มันเมื่อยทำไมมาฟังให้มันเมื่อยมันิดประโยชน์ก็มีส่วนใหญ่ร้อยละเกิดสิบกวเช่นที่เป็นเช่นนี้เนี่ยน้อยนักน้อยหนาจะเรียกว่าของหายาคือประสามมีโทมมนุษย์ปริลาโพ น, นเกิดเกิดมนุษย์ละเเขาก็คิดตวปีหน้าขอนมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบ มีทั้งยานวุธิมือทั้งปัญญามีอทั้งวิชาความรู้มาเป็นคุณเดิมมีคุณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่สามารถจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว่ได้ทำให้เสียความเป็นมนุษย์แน่นอนนี่ของหาญาิอยู่ตรงนี้คนหลายคนไม่สนใจความดีสนใจความดีทิ้งเกิดติดั้ำมาจังอาชีวิตต่างชีวิตก็ช อายุไม่ยืนบางคนก็อายุไม่เท่าลายตายแล้วตายแล้วก็ไม่สนใจความดีอันนั้นอายุไมย่ยืนโรคภัยไข้เจ็บ ก, ก็เบียดเบียนก็หลอดหลอกการเอาขอฝากไว้ถ้าท่านมีนิสัปยปัจจัยฉันจะสนใจสมบัติมนุษย์สนใจบำเพ็ญศีลสนใจบำเพ็ญภาวนาทําให้อายุทันยืนจิตสังมัตตัจงมัจีวิตัน ชีวิตทานจะยั่งยืนชีวิตนี้จะแจ่มใสชีวิตนี้จะดีแล้วผิดฉนจะทำมามัตสวรรคงสนใจฟังธรรมะสนใจอภิตายธรรมสนใจฟังเทศน์ฟังธรร ม, ใ, รร ม, ใ, รรมในก็ษาศาสนาในนี้ก็เาะเหยว่าของหายากเราก็หายาก ก, ก็ได้แล้วปันนานวิสัสยท่านจะเข้าใจคำนี้คโชทุกฐานมนุ ป, ปาโท เราได้มีพระพุทธเจ้ามาตรานโรกแล้วท่านยังจำไม่เอาหอรือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นศัตรธรรมเป็นธรรมที่มีคุณสมบัติใครจะ้าใครจะเถียงพระองค์ไม่ได้เลยทำดีต้องโดยดีทำชั่วก็โดชั่วเอาตัวรอดได้อย่างนี้เต็นตน้นนี่แหละสรุปใจควา ม, มาของหายากสี่ประการนั้นถ้าผู้ใดมีครบ ถนั่นจะแสวงหาแต่ความดีจะไม่แสวงหาความชั่วแต่ประการใดพระพุทธที่มาบวชนียังแตกการทันไปมาคนละพืชคนลพันธ์มาคนลโคตมาคนล า, า, าอย่างมาจากทั้นต่ำทั้นกลางทั้นสูงมารวนกันอยู่ถ้าหาปศนใจแสดงออกบอกให้ทราบหรือความตัดทาและกรไปล่มขึ้น อาจจะได้ความรู้ไปเยอะขั่วความดีจ ะ, จะเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นความเป็นมนุษย์สมบัติก็เพิ่มขึ้นความมีอายุการก่อให้กายตรงนคนอายุยืนเดาไปได้ไม่ตายเชื่อทําเวลาสามาราที่จะต้องสร้างความดีไปอยู่อีกอยาวนานคืออายุยืนแล้วก็สนใจฟังธรรมะเทศนาสนใจฟังธรรมะ แสวงหาความดีให้กับตนเ็าเราได้จุสมนี้มาจากมิใชยเมื่อค่ำก่อนขอเตืนอนพรอย่างนั้นแต่เราก็มาประสบพบโชคดีในเมืองไทยมยีพระพุทธศาสนาะและหยดอ่อนื่วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ได้ปฏิบททัติธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นแต่พระเจ้าพูงนั้นต้องปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นปถาโคตรผู้นั้นต้องปรับปฏิบัติธรรมเห็นอย่างไรจะเห็นคำํำสอนอยู่ในจิตใจพระองคส ก, ก่อนจะเข้าประสูปป่ปัญญานถึงตาว่าอนน์ุชีวิตชาว่าอัมนนต์นนเราเข้าถู่มิถานแล้วนั่นตัวแทนของเรานั้นก็คือธรรมวินัยตัวแทนของเรานั้นคือธรรมะคือสอนติด อากานทั้งหลายมีศรัทธาเลี่ยมใสมีจิตเป็สอนก็ปฏิบัติธรรมที่ได้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นมีธรรมประ จ, จําใจมีคุณประพฤตธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านาั้นแหละก็คือพระัญญาคุณอจาจจะเป็นผู้ทรงยิ่งสุนปัญญามีสติปัญญาดี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 ว่าทำอย่างนี้ไม่นดีทำอย่างนี้มันดีจะบอกให้เราทราบได้โดยปัด จ, จัดตางเวทที่ตับโพมิูดีรู้ได้เฉพาะตัวท่านเท่านั้นคนอื่นหาได้รู้ไหมท่านทําชื่อใครก็จะรู้ได้ตัวท่านเป็นผู้รู้มันเสรีแสแพงปราวาจาท่านก็เป็นผู้รู้ ส, ร ส, ราาา ส, รสามารถจะเสรีแสแพง ป, ปราวาจาได้ฮลุชวาจาพระผวาจา ทะลกคํวาว่าผู้พูดแค้นหน้ายังลงคองผู้พูดส่อเสียดผู้คำหยาบผู้เพ้เดดอเจอด่างยางน้าใจหายเขาก็สามารถจะทําได้ประเภทพวกนี้เพื่อไล่เห้ผลเพื่อไล่ปัญญาต้่งมีปัญญาประจําตนที่เกลียดที่สุดไม่สนใจทยานมันเพียนถ้าเราจะรู้ได้ว่าผู้มีนิสัยปัจจัยเขาแหวนหาต่ความดีสมใจ ปฏิบัติธรรมาหากว่าไม่มีมีสายมรชายก่อนไม่ต้องบังคับบังคับนี่ไม่ได้บุญจะเชิญมาบวชนุ่งขาวเนรธรรมปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาอย่ามาเลยนะมาคุยกันมาเปล่าร้ายป้ายสีสร้างความดีไม่ได้เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นคุรประโยชน์ต่อท่าน ประ่านแสวงหาความดีใส่ใจทอกท่านเพื่อปกครองครอบครัวปกครองตัวได้ครอบครัวท่านจะมีสันติสุขมีความสนุกในการทํางานสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะ ก, กันคนมีนิสัยดีปักก็มีธรรมะคนนิสัยไม่ดีธรรมะมันไม่อยู่ด้วยเราเศษสารสร้างแต่อย่างไงก็ไม่สามารถจะสร้างความดีเขาได้คนประเภทนั้นประเภทขาดนิสัย และเทศขาดกระจายไม่จอบบังคับสีวันอภวันเราจึงไม่เชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมหรอะใครมีบุญมาเองสนใจก็มาได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต่าขายการสนใจนิสัยไม่ดีอย่าทำเลยมาสร้างบาปเชื่อเปล่าไม่เกิดประโยชน์มาขายข้องการมาเพ่งสมณนะรมของคนอิ่งเขาด้วยมาเสวนเอดเสียงดังเป็นบาป สถานที่ภาวนาเขาก็ตองบอกว่าแย่เละสถานที่ภาวนาทุกคนเข้าไปแล้วต้องภาวนาสร้างกุศลสร้างบุญให้แก่ตนอ้อนตาให้ตนเองมีความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นขาไม่ใช้ปัจจัยปัจจัยก็ไม่มีไม่ใช้ก็ไม่ดีด้วยทํายังไงดีไม่ได้อายุข่ามรักษาสมบัติมนุษย์ไม่ได้ก็คือการเจริญภาวนา มีก ร, รมบทสิบคนที่เกิดจาเป็นมนุษย์มีก ร, ร ม, กมาบทสิบเ่ตัวมากายกรรมสามวิจิกรรมสีมโนกรรมสามครบถึงจะเป็นมนุษย์ไม่ฆ่าชักไม่เดืดเยนชักไม่ล่วงปเวณีในสังคมที่นาบาัตสีชัดเินไม่พูดเละไม่พูดจอเสียดไม่บุคคลหยาบไม่สุดเพื่อเจอ มวจีกรรมสิมโ น, นกรรมสามไม่ละโม่เรื่มาอยากได้ของเขาไม่สู่พยาบาข้าดเยินต่อท่านกูดานนั่งใจสร้างความดีในกุชลบุญยาสีมีสัมมาทิฏฐิตลอดลลนเลยกานี่อย่ามโนกรรมสามถึงกับเป็นมนุษย์รางอย่างนี้เป็นมนุษย์มาเกิดแต่แล้วยังประเสริฐไม่ได้ไม่สามารถจะรักษากรรมบวชศิ์ไม่ได้ เลยกลายเป็นมนุษย์ัแปรตอมนุษยเดลฉานโอมนุษย์เนลยิโกกลายเป็นมนุษย์นรกมนุษย์เปรตมนุษย์เดลฉานหวางคนโน่นขวางคนนี้ตลอดรายการก็เพราะของหายากสืบการไม่มีในตัวท่านเลยไม่มีแน่นอนกองบังคับมาสร้างความดีแห่งชาติเพื่อประโยชน์ปฏิบัติการใด ก็ออกมาทางนองนี้เป็นต้น ม, มีความหมายมากผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสนั่นไม่ต้องบังคับที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกันนั่นบังคับหรือไม่ท่านมาด้วยศรัทธาใช่ไหมมาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสมาด้วยสมบัติมนุษย์มาด้วยจิตมีสายปัจจัยสนใจต้องการให้อดรียืน การเจริญกรรมฐานต้องการให้อายุเยือนจะรักษาสมบัติมนุษย์ไว้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ให้องแท้ให้ได้ร้ยเปอร์เ็นจะไม่มีความมนุษย์ผิดตกต่ำแต่ประการใดท่านคงไม่ไปเนรยีโกคงเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์นรกไม่เป็นมนุษย์เปรตไม่เป็นมนุษย์ดุริานอาจจะมีแต่มนุษย์กับพูดตอ มนุษย์สมบูรณ์แบบจะมาบทศิษย์มนุษย์เทโวท่านจะมีหิริโอตับะมีความละอายเพลนงโกตบาพุจริตจุดฉุนธรรมจะไม่กอกรรมทำเข็ญต่อไปแล้วนี่ยังเมื่อท่านจะอายุยืนถึงลูกหลานของง่านท่า น, นเป็นพ่อเา้าท่านเป็นแม่เา้าท่านเป็นลูกชายลูกสาวของบิดามันดาก็สามารถจะเสริมข้างบิดามันดาให้มีกุศลดับ พ่อแม่กำลังป่วยกำลังป่วยลูกสามารถนางกรรมฐานให้พ่อแม่ได้เพราะขาดโดยสิตอันเดยวกันสามารถจะทําได้โดยไม่ยากนะพ่อแม่ก็สามารถจะให้ลูกได้วันนี้มีหลายลายมาฟองลูกสุดยาเสพติดเป็นลูกผู้หญิงโสดบุรีด้วยสุดยาเสพติดด้วยบุรีด้วยเราวยาปลาตึ้งกินชอมเลยธรรมาไม่โทษเด็ก มาเจอลูกสาวของคนนั้นโสดพ่อแม่ไม่ดีไม่มีไม่สัยปัจจัยเลยถ้าชวนลูกสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เป็นเด็กนกนนอยู่ในโรงรีบสอนใช่ไถ้าชวนลูกสวดมนต์หรือว่าไม่ลูกไม่สวดพ่อแม่สวดลูกเล็กๆมันยังกำลังหัดพูดกำลังจะฟังกำลังจะคิดเด็กเขาก็สวดมนต์ด้วยนี่จึงหายาก ลูกก้าวทั้งเสีอหายเลวร้ายนั้นไม่โท่ษใครจะได้โทษกฏทางกรรมไม่ก็ไม่ใช่โทษพอแม่ไม่ดีสร้างความไม่ดีให้กับลูกทํำไม่ถูกกับหลานออกมาชัดเจนลูกทั้งเสียหมดมีมาบอกหลายคนจะให้แท่แม่ตายลูกทําเป็นคนดีคงไม่ได้ไม่ได้นิสัยไม่ดีคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยจะสร้างความดีได้ยากมากสร้างไม่ได้ แน่นอนเยาวมผู้หญิงโยมชายทั้งหลายผู้มีบุญวาสนาถึงจะมีโอากาสมาสร้างบุญคือการเฉลิมประกรรมาฐานทําให้เกิดความสุขในจิตใจทําให้มีบุญวาสนาเกิดขึ้นแลจะประกอบกับชีพการงานอันใดก็จะได้ผลมากผลได้มากได้ผลได้กําไรชีวิตชีวิตเป็นกําไรของการงานและหน้าที่ ถ้าคนเราต้องอาศัยการงานกับหน้าที่เป็นชีวิตอันเลี้ยงเลือนลิดไม่มีเพศมีภัยกับใครใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำลายขีปนาวเป็นธรรมแต่จะมีกิจกรรมในครอบครัวของตนเองนี่แหละเป็นความดีที่หาได้ยากและก็เป็นความยากของมนุษย์เหลือเกินที่กล่าวไว้สังตนเนีน่ว่าคือโช ม, มนุษย์สัิลาภ การเกิดเป็นมนุษย์ยากและวทำไมถึงเอาความสมบัติมนุษย์แตชิ้นผั น, นามีอการมาบทสิทธิมาแลกในไมน่ใะ่นั้นท่านจะไม่เป็นมนุษย์กล้าพาเสื้อทีก็ไปเกิดเป็นสาสตร์วิญญาณมากมายใจกองแต่ทำไมหนอจึงมารักษาความเป็นมนุษย์เวยล่ะการเจริญภาวนาจเจริญสติปัฏฐานสี่นี้การยืนหนอนห้าครั้งเดินตรงกลมตั้งสติไว้ทุกอริยบทการ ม, มาบทสิทธิให้กระครบ ขณะที่ท่น lên, านเจริญกรร ม, มาฐานของหนาะยศหนอก า, ายกรรมสามครบวจีกรรมสี่ครบมนโกนกรรมสามครบนี่แหละมนุษย์สมบัติทานจะเกิดออให้เกิดผลใะมนุษย์สมาัติของท่านตลอดกาลในชีดิตของท่านในข่าวสาดเดือนเดือนช้าบ่วงเปรยนีแต่ประทำได ขณะที่กายกรรมสามเมืมมม่อคีกรรมสี่มโนกรรมสามครบอัานขณะที่เจริญภาวนานั้นท่านก็คงไม่ผูดเช็คคงไม่พูกคำหยาบคงไม่พูดคอด่อยๆต่อไปจิตใจท่านก็สงบนั่นแหละเป็นบุญเป็นวาสนาใจก็เชื่อมือก็จะอาทำอะไรเชียบขาดเป็นธรรมเกิดขึ้ น, นตัวท่านเองนี่แหละพลังภาวนาเนี่ยเป็นตามสอนตัวเอง คนอื่นเราสอนสู้เราสอนตัวเองไม่ได้กำลังเจริญภาวนาจะเป็นการเดินจงกรมขวายางเนอจะล้ายยางเนอไม่สติครคบับทำมาบทสิครับบริบูรณ์บริบูรณ์เลยอาจจะตอนที่ห่านมิสติดีท่านมาฉญญาดีท่านจะไปพูดเทศจไหมจะไปพูดต่อเสียกิใครไหมจะเพ้อเจอหรือไม่ ทาจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะนั่นแ่ะเป็นการสอนตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาสอนเราจะเป็นพระสององค์เจ้าเหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าทำได้ก็เป็นการสอนตัวเองนะทำให้ถึงพ่อแม่มีความเจริญรุ่งเรืองได้นี่แหละที่มามาบวชกันเนี่ยบวชให้แต่พ่อแม่ โยมผู้หญิงก็ตรองการจะบวชให้พ่อแม่นั่งกรรมฐานเนี่ยพ่อแม่ร่วมหายใจจากไปนรกยังขึ้นจากเมืองนรกได้แม่ผูกคอตายยังขึ้นจากนรกได้มาเข้าฝันมาบอกกับลูกสาวว่าแม่ได้พ้นทุกข์แล้วลูกทําให้แม่นี่แหละกระตันยูก็ตัตเวทิตาถามชัดเจนมาก พ, พ่อแม่กาลังง้งองแงงไปอามาพลึกเอามาพาดลูกนั่งโดยศรัทธา จะเล่นกูฉกแขนให้พ่อแม่บัดนี้พ่อแม่หายแล้วเดินได้อย่างคล่องแคล่วแต่ต้องทําด้วยศรัท ธ, ธาม่มีสันถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีสันอย่ามาทําเลยเป็นบาปเอาเวลานั่งคืนมาโบนโอ้ยเมื่อยจังวันกูไม่เอาต่อไปว้อยหยาพูดเลยท่านเป็นบาปอย่างไร้ายแรงเป็นบาปและเสียศักด์และสร้างความดีไม่ได้เลยแล้วก็เสียศักด์ การดีจะไม่เกิดไม่เกิดผลถัานาศึกษาก็ไม่ไดู้ด้สุดที่ภาวนาก็หมดไปไม่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจจ ะ, จะดจระการใดจิตใจก็เหลียวแหลกแตกลามประการสภาพของชีวิตตรงนั้นไหนเลยและจะได้กุศลลาบมีลาบบุญกุศลมาอยู่ตรงนี้เนะีไงมีลาบท่านให้นึกถึงตัวเองบ้างว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยากจะไม่ยอมกล่าวมาดีต่อไปจะกล่าวถึงธรรมะว่า ก็จะคลอดจะครับพาเข้ า, าขแม่ทําให้แม่จ้องลําบากแต่วังเกิดของเราแล้วก็เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มทั่วันเนี่ยทําไม่ได้การต้องเลี้ยงเล่าเพื่อนจนได้ดื่มเชื้อเมาเป๋ไปเลยวันเกิดนั่นเนี่ยทําให้ยุกงขัจิดช้งมัจจาในชีวิตตั้งชีวิตจะสัน้นชีวิตมายืนอายุจะมายืนต่อไปอายุสัน้นในเวลาอันสมควรคนเรายุคใหม่สมัย น, นี้อายุมายืนเลย โครคภัยใข้เจ็บก็เบียดเบียนก็ไม่อยากจะฟังธรรมรวัดรสวนร่ะไม่อยากฟังธรรมไม่แสวงหาความดีกระทั่งที่พระพุทธเจ้ามตาตรัสในโลกแล้วจุดชั้นจุดโฉดจุดทานมุข ป, ปาโถมีพระพุทธเจ้ามตาตรัแล้วแสงสว่างธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วคือโลกกบิถุก้าแล้วก็ยังมืดเช่อยู่ไม่แสวงหาบุญกุศลเพื่อความสุขในจัตุรัส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 ใจก็สบายนั่นแหละเป็นความสุขของท่านไม่มีความทุกข์แต่ประการใดเมื่อไรเดือดร้อนมันก็แก้ไขได้แือการเจริญกรรมฐ า, านปัญหามันอยู่ที่ว่าด้นหนอทำให้ได้ได้เดินจ ง, จงกรมใจชาเดี๋ยวท่านจะมีสติปัญญาเองไอเรื่องนี้บอกกันยากมันไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เรียนหนังสือจะได้บอกกันได้ของหนังสือหน้าชอบได้มันก็ผ่านชั้นไป แต่การเจริญกุศลภาวนาเนี่ยทำยากมันไม่ใช่ยันต์หนังสือมันทําให้เกิดผลขึ้นมาเองเป็นการสอนตัวเองสอนตัวเองไม่มีทิฏฐิมนนะแต่ประการใดคนที่ดีมีปัญญาต้องเอาสติวัชิจิตจัดเอาสติวัชิจิตเป็นความคิดสูงเอาจิตไปวัิปากความคิดจะต่ำความคิดจะโลละต่อไปในชัองคมของคนช่าน สมาสิ้นหายมากมายเพราะจะนั่งการสร้างความดีไม่ต้องบังคับใครแล้วจะเป็นพระสงองค์เจ้าพ็ไม่บังคับจะมาสวดมนต์หรือไม่สวดก็นั่งบอเป็นกุศลอุทิศถวายพระราชาก็ไม่บังคับแต่เราตระททการดูกับตเวนการรำต่อองค์พระราชาจะไหวเป็นาราชพฤกษ์กุศลบุญญาสิริให้แก่องค์พระราชาที่เราได้เร่วมเยีนเินมเป็นศพตลอดมา ก, ก็องค์พระราชา ใช่ได้พระราชาริให้รัชดรประสงค์นิกรทั้งหลายได้รับความโ่้มเย็นเต็มสุขพระองค์พระราชามีความหมายมากนักภาษาอะไรกับองค์พระราชาแล้วแต่สมเด็จพระศรีนครินทร์ราบุลมราชชนนีมีาามาประชาชน3 0 0มากถึง 9,000 พรรษาสวรรค ต, รตท่านยังคุ้ยเหลือประชาชนประสงค์นิกรรัษฎรทั้งหลายโดยเฉพาะตำตรวจเสวียนชายแดนทหาร ปกครอได้ยากอยู่ไทยแดงท่านช่วยหมดตอนไหนเห็นแต่ความยากลนบากสเสด็จตลอดในการสร้งขึ้นเขาก็ไปลงเทุนที่จะไปทุรกันดานก็สเสด็จไปหมดเลยช่วยเหลือประชาชนอย่างนะั้นแต่เราก็จั้งนึกถวายเป็นพระราชนีก็ผู้สอนยืนยาสีถาวายต่อองค์พระราชาพระมหากษัตริย์ สาสมุปธรรมภคจนยกย่องพระพุทธศาสนาเราจึงมีศาสนาอยู่ได้จนทุกวันนี้พระราชาท่นในสาสมุปธรรมพกแน่ไหนเลยจะหยุดยกประศาสนาให้เราได้โอกาสมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมเล่าโดยจะการส่งเสริมและช่วยเหลือทุกวิธีการทั้งองค์ภรรยาชาทั ง, งประจงพนวดบวชในพระศาสนาช่วยกันทั้งนั้น พระองได้ทรงเจริญประทับกรรมฐานทุกพระองค์นี่จะเป็นการเสริมสร้างบารมีสร้างบุญกุศลดวลาสีให้กับตัวเองโดยไม่ต้องใช้สพางแต่ประการใดที่อยากโยมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องการมีเป็นคนมีบุญวัสนาต้องการให้บุตธิดาของตนเป็นคนดีแน่นอนที่ชดบางคนลูกศสียยาเสียติดกันมากมายตายพองเพราะพ่อแม่ไม่ดี มาได้สร้างกุศลให้ลูกเลยไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยจเจริญภาวนาแต่ประการใดตั้งมาเขาจเจริญพรไม่บังคับแล้วจะเป็นงงเจ้าสงฆ์องค์เจ้าขอมานต้องบังคับบังคับมาโดยโทนบังคับใครก็มาสร้างความดีเนี่ยแสนจะยากบังคับกันทาไมพระพุทธเจ้าทงสอนชัดเจนนะต้องมีศรัทธาด้วยองค์ตนเองมีความเชื่อความเลื่อมใสด้วยตนเองกระตือรืเร้นด้วยตนเอง สแสวงหาด้วยตนเองจึงได้ปลูกเป็นหลักปฏิบัติว่าปัญญาติด ม, มากับตัวความรู้อยู่ในํารมหลาไถสนใจสแสวงหาเอาเองการเจริญภาวนาก็ต้องโลนใจสแสวงหาถามครูบาจารย์แล้วครูบาาจารย์ก็มีเมตตาหน่อยปรารถนาดีกับพณะรัฐเพื่ยชีวิตให้แจ่มใสดังที่กล่าวข้างต้นว่าของหายาสีประการนั้นะด้ช่วยเขา มันช่วยคนจมน้ําให้ขึ้นจากน้ำได้เหมือนตาะคนที่จะเข๋ให้เขาขึ้นจากเข๋ได้ก็จะได้บุญนะจะได้คูณประโยชน์ต่อไปอย่าโจมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐ า, านมากันมากมาหลายตาขอให้มาด้วยศรัทธามาด้วยความเชื่อมาด้วยความเดินใจอย่ามาหาเรื่องมันจะเปลือนเวลาเป็นบาปเป็นกรรมมาก หรือเขากําลังนั่งภาวานาไปเฉียงหเหเฉนด่างทาให้เสียสมณธรรมทําให้เสียสมณธรรมไปกวนเอเลมเขาไม่เงียบสงบแต่ประการใดเป็นบาเป็นกรรมอย่างแ น, น่นอนบาเพนทันตาด้วยบาเผนทันตาไม่ตั้งจําต้องกล่าวว่าดาาในนชติห้แต่ประการใดชาตินี้ก็เห็นชัดเจนแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายอย่าโยมอตามา ต, ตั้งใจเลย ปฏิชานในใจมานานแล้วแต่คอหักแขนหักขาหักไฟลวกน้าร้อนลวกปลาผ่าอฏิชานจิตตลอดมาข้าพเจ้าจะถวายชีวิตตรอรล้วศัานตรัสว่าพุทธังชีวิตตังยาวนนีพานนางเกลนางขจามทำมังชีวิตตังยาวนิีพานางเกลนางขจามสังขังชีวิตตังยาวนิพ้านางเกลนางขจามขอพระสิัิธรรัตร คุณค่าอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในตัวเองก็เกิดมีบุญกลายเป็นคนมีวาสนาทําอะไรก็สําเร็จตามปรารถนาและวัตถุประสงค์ทุกประการจะไม่แล่นแคนอีกต่อไปแล้วคนที่แล่นแคนคนที่น่นเนี่อกพกอยู่ในใจก็เพราะไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจในธรรมะไม่สนใจจะปฏิบททัติธรรมแต่ประการใดมันก็ไล่ค่าขาดผลไม่มีบุญกุศลในตัวตนแับประการใด ออกมาอย่างไม่ชัดจะเป็นชั้นผู้ผน้อยหรือผู้ใหญ่จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กลางคนวนี้จะแค่ไหนก็ตามมีข้าวขายบ่ายเย็นด้วยกันทั้งนั้นจะอยู่ตอนเชา้าเดี๋ยวเช้ามันจะอยู่ไม่ได้เมื่อต้องไปสายก็ต่อไปบ่ายอายุกมาบ่ายแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ะลางก็ตกปักชีวิตจะต้องแบบด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่หัวข้ามฟ้าแน่นอน แต่ก่อนจะเป็นเช่นนี้เนี่ยสร้างความดีไว้ไม่ได้อยู่จากโลกไปทั้งทีเอาความดีให้เลกมนุษย์ไว้น่าจะจากโลกไปทั้งทีเอาดีติดวิญญาณไปบ้างนายชั้าประยภพตาล้อแผลนถอที่กล่าวมาได้ทุกประการที่ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานต้องการมีบุญไหมต้องการมีวาสนาไหมตาม า, ม, ตมาพูดมานานแล้วบุญมาบุญมีวเดบุบบมาวัสนากระ่วย โวยก็หายนายก็รักบุญไม่มานะไม่มีบุญวาสนาไม่ช่วยแน่ยโวยก็หนักลักกันนายหนีไปเลยไม่เอาเนื้อเอากายจะกระตานใดท่านจะมีบุญวาสนาท่านจะคิดเอาเองแต่จะต้องการมีบุญหรือจะมีบาปต้องการจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ต้องการจะเดือดร้อนหรือจะไม่เดือดร้อนจะพองแพร่หรือไม่พองแพรวแจกกระตานใดมาพูดมานานแล้ว การภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจเป็นกุศลการภาวนานี่ททำให้จิตใจเป็นมงคลการภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจสร้างสมในฐานะที่ดีจะได้มีปัญญาอันความฝึกมีสำคัญมากยามเวลาใดทำใจใผองแพ้วเหมือนได้แก้วมีค่ากุลาสีเวลาใดทำใจให้ดาทีเหมือนมันี้แกหมดลดราคาอันความฝุกทางใจนีหายาก ผลผนมากไหมชอบจะแสวงหาจะชอบแสวงหาความสุขสนุกเพียงหูตามันจะพาชาติตึงให้ยิ่มใจไม่เกิดประโยชนเลยแต่ความสึงทั้งจิตใจที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่มีใครสนเลยนะสนใจแต่เลื่อนหาเลื่อนหาราลตลอดเลยจานมมเอาเนื้อเ อ, อตาตตจะปไปตามใดความดีจะไม่ฉิงกระถิดอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนา ลาไปแล้วประมาณตรวมนไหว้พระนะให้เป็นนิดอธิษฐานเสร็จอย่าทิ้งงานและหน้าที่เพราะเราอาศัยงาหน้าที่อยู่อย่าทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบอายนะะธาตุมนตรีตาหูจมูกลิ้นกระชับตายเห็นรับผิดชอบต่างตาหูโดยยินเสียงรับผิดชอบทางหูจมูกได้เต็รับผิดชอบทางจมูกเป็นหนอเป็นหนอเป็นตอนลิ้นรับรสรับผิดชอบทางลิ้นทางปาก รับผิดชอบทางกายร้อนหนาวอ่อนแข็งจะร้อนเกินไปจะหนาวเกินไปก็ต้องอด ท, ท, ทนการกุศลจะต้องตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปท่านจะได้บุญและกุศลต่อไปนะและท่านจะเอาโหสิกรร ม, มันด้ท่านโปรยตัวทางใจช่วยดีกางกุศลวเวลาราสุขจิตใจมีสติปัญญาและจึงโหติกรจมจะไม่เกรธการจะไม่ผูกพยาบาทฆ่าทิ้งเวรแต่ท่านผู้ใด จิตใจก็โล่งตรงใสจิตใจก็สบายสะดวกจริงๆสะดวกสบายต่อท้ายชีวจะก็พ้นแต่จะมีที่พึ่งทางใจจิตตัวไปแล้วเขแผนเมตตาถ้าถึงตอนนั้นแทนเมตตาจะให้ลูกเรียนรู้เก่งก็ได้ให้พ่อแม่หายจากโรคภัยใครเจ็บก็ได้อง ก, การให้เพื่อนกนันดุมิจฉหายเป็นคนดีก็ได้สามารถจะแท่ได้ทั้งนั้น ภรรยาก็สามารถจะแผ่ให้สามีเป็นคนดีได้สามีจะกินมเหล้าเมายาจะใจทุกข์เสือเถียชื่อหัวนาภรรยาก็แผ่เมตตาโดยจิตเป็นมาหาก่อนสามีก็จะลใยร้ายใจดีจับเป็นคนดีได้สาคัญไม่เอาเรื่องเอาเลาวสามีก็สามารถจะแผ่เมตตาให้ภรรยาได้ภรรยาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็าตาม ก็ขอเจตนาดีอาเป็นส่วนมหากรุชนแก่ภรรยาของตอนมั่นใจต่อภรรยาของตอนและมั่นใจต่อสา ม, มีของตอ น, คนและสนใจต่อสา ม, มีภรรยาเรี่ยมเรื่มคิดเรื่มขมัดขมานเรื่มรักให้สามัคคีสร้างความดีในครอบครัวครอบครัวท่านจะอยู่เย็เป็นสุขมือลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นทองแต่สนใจเยน็นยังสือหนังหาไม่ต้องไปว่ากล่าวจักเตือนจนเกินไป เพียงแค่แนวเขาก็เข้าใจแล้วคนที่ไม่สนใจเน่แนวผู้ป็ตจะชีนเข้าเข้าหูหู้ายหรือหูขวาก็ไม่ใจกประโยชน์อนไดก็เพราะไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจฟังมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตส่งไปี่อื่นหมดไม่ตั้งใจมาจจะได้อะไรหรืออาจะไม่ได้อะไรจตประการใดคนเราเนี่ยมักงายมักได้ออกมาด้วยจิตมิตใปัจจัย นิสัยไม่ดีทํายังไงก็ดีไม่ได้แต่การเจริญกุศลภาวน า, ท, วาทําำยศศรัทธาท่านจะรู้นิสัยของท่านเองท่านสามารถจะเปลี่ยนของท่านเองเปลี่ยนภาวะปรับร่างกายดีสร้างความดีกับตนเองได้เกิดประโยชน์มากกต่ถ้าบวชใหม่ก็ตามเดินจนๆนงินเจริญกรรมฐ า, านคืออาการมีเมตตาเดีย๋ยวถวายความรู้บบปแห่ น, นี้ประโยชน์อย่ามาอยู่เฉย อย่างวันอยูเป็นวันเวลาวันหนึ่งหมดไปเปลา่าวันเวลาหมดไปเปลา่าไม่เกิดประโยชน์อันใดขาดทุนเวลาขาดทุนวันขาดทุนเดือนและขาดทุนต่อชีวิตชีวิตจะแรงแค้ น, นมาบวชก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันดาาใดก็ไม่ารสันไม่ลืมเริ่มไม่สนใจไม่ดำเนิ น, นงานในการบวชเลยไม่ได่าแล้วกลับไปเลยนะเนี่ยเราก็ชี้แจงแสดงให้เขาจาน บางคนไม่ต้องบอกกันเลวอยากจะบวชใหม่บวชนนไม่มีศรัทธาไม่ต้องบับงคับบังคับก็มบบไม่เดือดร้อนบังคับไปเขาสร้างความดีเขาเป็นคนเชื่อเนี่ยบังคับไม่ได้คนดีไม่ต้องบังคับเพียงแค่แนวหน่อ ย, ยก็วิ่งทูมแล้วพอแนวหน่อ ย, ยก็ไปแล้วไปครูเกลียวเกลียวปลาในทางที่ดีคนที่เดือดเชื่อค่าสา ม, มานคนไม่จเจริญในอนาคต ไม่ต่อไปแม่แมวจากประการใดแม่แก็ไม่เอาไหนคนรอายุสั้นงานการก็สั้นอาณาโคกสั้นไม่รุ่งเรืองโลดวัฒนาการไม่รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนทําให้อายุสั้จะเห็นสั้นดีระยาหรืจะเห็นยาวดีกระชาตนบางคนเห็นสั้นสั้นยาวยาวเห็นแค่หัวบรรดาไม่เดือดสนใจใครเลยไม่สนใจความดีให้เกิดผลในตัวตนกับประการใดไม่สนใจจะเรื่องหลายสาละ ก็สรุปใจความว่าขยันนอกหน้าที่การงานไม้จะเป็นงานในหน้าที่ก็ขยันขยันในสิ่งที่เลวร้ยรายตลอดเวลาตัวตนก็ขาดเหตุผลโดยทําอะไรก็ไม่เป็นมาเป็นผลค้าขายก็ขาดทุนธุรกรร ก, ก็ไม่เจริญรับราชการก็ไม่เดินไปเรื่อยๆยศตำแหน่งก็ไม่ได้นี่แหละพ่อสร้างทำตัวให้สั้นเองไม่ทําตัวให้ยาวแต่ประการใด ขาดมนุษย์กับสัมพันธ์ขา ด, ขาดาทั่วท้องขาดญาติพี่น้องมากมายไม่มีมือสัมพันธ์ขาดตาทจากเมตตาตัวเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายการปฏิบัติแล้วท่านจะรู้ตัวเองว่าเรามีสัจจะพูดจริงต้องทำอย่าเดียวไม่มีกับคนที่มีธรรมะคนมีธรรมะไม่มีเดียวงานต้องใช้พลันทันเวลาด้วยนี่คือสัจจะคนมีสัจจะแล้วจะเห็น อ, อกถึงใจกัน คี่เห็นใจน้องน้องห็นใจพี่ลูกก้าวทั้งหลายเห็นใจพ่อแม่เลือเกินรู้จักน้ำใจของแม่ว่าแม่ลําบากเลี้ยงเรามารู้จักน้ำใจของพ่อไม่ยอมพอใจพ่าแม่ลํำบากลำบนแค่ไหนหากใครปฏิบัติได้น้าไหลจะออกตาวมะอ๋อเรานี่นะเสียงพอเชื่แม่ไม่เคยช่วยพ่อแม่เลยมันจะเกิดผลโดยสมตนเอง ตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะกลับไปช่วยพ่อแม่ข้าพเจ้ า, า, จาลลตลอดกาลนับวันข้าพเจ้าเท่าเเคระเชราแล ะ, แะลจะต้องกายจายกโลกไปแล้วเรายังไม่ได้โทษแทนบุญคุณพ่อแม่เลยนี่แบบเจริญกรรมฐ า, านมันจะได้ผลขอให้มันทำจริงๆเถอะทำไม่จริงเนี่มันก็มาได้ผลอะไรทำหยอกหยากแย่แย่จิ้น จ, ำจำิจ้นจามจับนั่งยังไม่ทานไรเลิกแล้วเดินตรงกรมยนงไม่ทานเลิกเนี่ แล้วท่านไม่ได้พบของจริงเลยท่านเป็นคนปลอมถ้าเป็นคนเจก็ใช่ของเจอาเชื้อท่านปลอมก็ได้ของปลอมต่อไปไปมีผัวผัวก็ปลอมมีเมียเมียก็ปลอมโด ย, ยต่างคนต่างอยู่ต่างคู่อยู่ในรูในคู่ในอ่าในชื่อของตนออกไปอย่างนี้แต่ตนจะมาได้ผลอย่างสมค่าปัถนาทุกประการกลายเป็นปลอมด้วยกันปลอม มักก็ไม่ได้พ้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่งอกงามทำอะไรก็หดเหียวจิตใจก็แห้งแล้งแล้วก็แรงน้ำใจน้ำใจก็มาได้ผลเกิดอานิสงส์แตการะดาขออนุมโมทนาสาธุการแจกญาติยาโยมอุบาสกอุบาจิกาทุกท่านที่ท่านตั้งใจมาปฏิบัติทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเชื่อทำด้วยความเลื่อมใส ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยความเคารพศักดา์สอย่างสูงและเคารพเจอาพระธรรมที่เราปฏิบัตริ ร, รมาานได้ธรรมะเห็นแจ้งชัดด้วยอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกกมะหมูไทยมิโลดนนะมีทุกเราก็แก้ขายทุกคือสมะหมูไทยมีโลดแกจ่มกรจแล้วพระพเจ้าไาม่มีสยอย่างนี้ขรพเจ้ า, จาขอเปลี่ยน่สาย จะไม่จนจะไม่อาบเฉาอาับจนต่อไปนะครับพรเจ้ า, จ, าจะเป็นคนรวยรือเสือหนีมีปัญญาต่อไปครับพระเจ้ า, จ, าจะทั้งใจต่อไปในอนาคตให้ลุงโลดพัฒนาการวัฒนาสถานต่อไปเชิดการจับเล้วเชิดที่สดการภาวนาต้องกานให้ใจจะเสิดพบพระพระอยู่ในใจท่านมาได้ท่านก็เชิด น, นั้นมั่นแหลเห็นแต่พาควบแล้วจิตใจมีบุญ เมื่อคุณประโยชน์กตาญรู้กตเวตทิศาธรรมแต่ทุ่เแม่มต า, าเฉลี่ยความสุขขึ้นกับรายการในห่วงกินห่ว ง, ง, งชายในป้อมแยกรบัตดกันก็เรียกอยากสามารถที่ทำนำฉันทุกศกศกใจให้ตื่นเติดชีวิตไว้ให้จำใช้และกัตัวเองก็มีระเบียบมีไงมีระบบแบบแผนอันดีงานต่อไปในอนาคตจะขยันหมั่นเพียรตลอดรายการจะไม่สี้เกียจหยีฉันอีกต่อไปแล้ว จะทำงานด้วยความพยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ตนและครอบครัวต่อทั้งคนมต่อไปต่อประเทศชาติต่อทั้งพระศาสนาต่อทั้งองค์พระมหากาาัตริย์ขุยยะเราจะไปเพณนีมาแต่โบราณการนัง่งแรงทุกท่านก็ขอเจริญรุ่งเรืองในธรรมนำมาปฏิบัติในหน้าที่และขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุยันนาสุขาพละปฏิภาณท น, นาจารย์ธุบัติ เพื่อจีนึ่งประการได้ชมความรุ่มราตถานาด้วยการทุกข์ลกทุกนาำหน้าโอกาสบัดนี้เชิญ<า> <c oughs> จพะพละอง่าวเนิมอก่อนกาปะวันาปะวันปโยกาปะเว กิดการก่อเนรมต่อก่อากตัววาจาเพียเดยวเดยวทาตุศรพะโลโกนสังคุมาเตมาวันวันกาลโยนตุเิงเพทายกอ สุวรรณนาติเรจังกาปะกาอินอัตตาโ กุขอค่ะกลับกลับกลับต่อไปนะคะตั้งใจแผ่เมตตาให้นั่งท่านั่งสมาธิกัน เทสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอพยาปชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนั่งประพศพรมือค่ะอีทางเีมาตาติเงโหตุสุขิตาหโฏตุ มาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มาดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยานังโฮตุสุขิตาโฮนจุ ญาติโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังนีครุปรชาัยญาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุ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 สุจิตาโหตุก เ, เทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพเพเตตานังโหตุสุจิตาโหตุกเทเทตา ขอส่วนบ de mm ุญนี้จงสำเร็จขอเปร์ทั้งหลายขอให้เปรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุพิตาโหตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทางสัรพสัตวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเทสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จักรทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขคู่เคาาีกันอะระหังสำอาสัำพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทวะสวาหาโตภะคะวะตาตโ ม, ม ทามังนะมะสะสุปฏิปันโนภะสะวะโตสะวะเจชังคูทั้งทามะ ธรรมจัมพุทโธภะวัน ตัวชาวาตาจังโก